โรดฝรั่งชาวพุทธที่อังกฤษเจ็ดถึงยี่สิบสองมิถุนายนกลางปีสองพันหาร้อยสิบเจ็ดพุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษ ได้กราบนิมนต์ท่านไปอธิบายและตอบคำถามธรรมะที่ธรรมประที่บิหารกรุงลอนดอนครั้งนั้นมีผู้ติดตามท่านไปสี่ท่านคือหนึ่งท่านอาจารย์ปัญญาสองท่านอาจารย์เชอรี่ 3. สศาสตราจารย์นายแพทย์อุัวเกตสิงห์ อาจารย์หมอศิริราศีมอมราชวงศ์เสริมศีกเกษมศีอากาศที่อังกฤษในยามที่หลวงตาเดินทางไปนี้แม้เป็นฤดูร้อนแต่ก็ยังจัดว่าหนาวมากสำหรับคนไทยแต่ท่านก็มิได้ลำบากยากใจแต่อย่างใด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 ต่างก็มาใส่บาทกันอย่างปลื้มปิติด้วยความศรัทธาทุกวันในเวลาเก้านาฬิกาอีกทั้งมีลูกศิษย์หนุ่มสองคนชาวองังกฤษคนหนึ่งตอนปิดภาคเรลียนของมหาวิทยายลัยเคมบริดจ์เคยมาบวชเนนที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วไปฝึกปฏิบัติที่วัดป่าบัานตาศอยู่กับท่านมาก่อนอีกคน